พุทธศาสนาที่พวกเรามีความเริ่มมายศรัท ธ, ธามีความเชื่อความนับถือได้สอนให้พวกเราเชื่อในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรามาเป็น สัตชนิดต่างๆกันเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นผลที่เกิดจากการกระทาภายใต้กฎแห่งกรรมคำว่ากรรมนี้เป็นเป็นคำกลางกลาง ไม่ได้หมายถึงว่าบาปหรือบุญเดือดีหรือชั่วคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทําการกระทํานี้มีสามทางด้วยกันทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมทำทางร่างกายเรียกว่ากายกรรม การกระทาทั้งสามนี้ทั้งสามทางนี้มีการกระทาทางใจเป็นหัวหน้าเป็นผู้กํากับเป็นผู้สั่งการคือใจต้องคิดก่อนเมื่อใจคิดแล้วถึงสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำพอทำแล้วก็จะเป็น กรรมดีหรือกรรมชั่วหรือกรรมกลางกางไม่ดีไม่ชั่วขึ้นอยู่กับการกระทํานั้นว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรถ้าทําไปแล้วเกิดผลกระทบดีทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเราก็เรียกว่าบุญหรือกรรมดีถ้าทําไปแล้ว เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาปหรือกรรมชั่วถ้าทำไปแล้วไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษไม่ได้เกิดประโยชน์หรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเราก็เรียกว่า เป็นกรรมกลางๆไม่ดีไม่ชั่วและเมื่อทำไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นกับผู้กระทำคือผู้สั่งการเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายหรือเกิดที่วาจาไม่ได้เกิดที่ปากหรือเกิดที่ร่างกายแต่เกิดที่ใจ คือความรู้สึกจะเกิดขึ้นที่ใจถ้าทำบุญทำกรรมดีใจก็จะเป็นสุขถ้ากรรมทำบาปทำกรรมชั่วใจก็จะเป็นทุกข์ถ้าทำกรรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วใจก็จะไม่รู้สึกทุกข์หรือรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกสุข จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้กระทาไปและนอกจากผลที่เกิดขึ้นที่เราสามารถรับรู้ได้ที่ใจแล้วผลที่จะตามมาอีกต่อนหนึ่งคือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ยังมีผลตามมาอีกส่วนหนึ่ง ถ้าเราทำบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะต้องไปรับไปเกิดเป็นอะไรต่างๆถ้าทำบาปนี้ก็จะไปเกิดในอบายสี่สถานด้วยกันตามเหตุของการกระทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไป เกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเกิดในนรกนี่คือ ผลของการกระทำบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้เป็นผู้สั่งผู้กระทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปต่อไปร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบาปร่างกายตายไปแล้วก็เข้าไปในเตาไฟเผาไป กับคืนสู่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟถ้าทำบุญทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่คือผลของบุญที่ยังไม่หมด ผลของบุญและบาปนี้เกิดขึ้นชั่วคราวในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอเราทำบุญเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาพอเราทำบาปเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ผลของบุญและบาปที่เราทำอยู่ในแต่ละวันนี้ยังไม่หมดหมดแต่เพียงแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ในขณะที่เราทำเท่านั้นแต่ผลที่จะพาให้เราไปเกิดในพบต่อไปนี้ยังสะสมอยู่ในใจอยู่ผลของบุญและผลของบาปนี้จะเหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารมันจะมีรายการมีวันที่มีจำนวนเงิน มันในใจเราก็มีบัญชีบุญมีบัญชีบาปนะทำบุญก็จะเข้าไปในบัญชีบุญทำบาปก็จะเข้าไปในบัญชีบาปแล้วพอเวลาที่ร่างกายตายไปบัญชีบุญกับบัญชีบาปก็จะมาวัดกันดูว่าบัญชีไหนมีจำนวนมากกว่ากัน ถ้าบัญชีบาปมีจํานวนมากกว่าก็จะไปอบายก่อนถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาปก็จะไปสวรรค์ก่อนไปเป็นเทพเป็นเทวดาก่อนจนกว่าบัญชีบุญและบัญชีบาปนี้จะมีอยู่เท่ากัน เมื่อบัญชีบุญกับบัญชีบาปเท่ากันก็จะไม่สามารถส่งใจให้ไปสวรรค์ได้ไม่สามารถส่งใจให้ไปอบายได้ตอนนั้นใจก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นบุคคลที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญกับทำบาปไปพอเวลาตายไป ถ้าบัญชีบุญกับบัญชีบาปเท่ากันบุญไม่มากกว่าบาปบาปไม่มากกว่าบุญบาปก็ดึงใจไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงใจไปสวรรค์ไม่ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่เป็นกฎตายตัวที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของใจใจนี่แหละเป็นผู้กระทาและใจนี่แหละเป็นผู้รับผลของการกระทาของใจร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้คําสั่งร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป แต่ใจนี้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปแต่เนื่องจากใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายออคอเราส่วนใหญ่จึงไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจคือตัวเรานี่แหละยังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วออก็จะไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อสวรรค์และนรกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนออไม่มีใครรู้ไม่มีใครค้นพบถ้าไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาจะไม่มีแผนที่บอกให้เห็นให้ไปพบกับ สถานที่ของใจที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจจะไปที่ไหนต่อใจนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะไปเป็นเทวดาไปเป็นอะไรต่างๆเป็นที่ใจสวรรค์นี้ก็เป็นที่ใจอยู่ที่ใจนรกนี้ก็อยู่ที่ใจ คือความรู้สึกนี่แหละเวลาเรามีความสุขนี่ใจเราก็ไปสวรรค์อยู่ที่สวรรค์เวลาที่ใจเรามีความทุกข์ใจของเราก็ไปอบายแล้วแต่เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความอาฆาตพยาบาท เคียดแค้นเกลียรชังจะทาให้ใจนี้ตกอยู่ในสภาพของความทุกชนิดต่างๆทุกของเดรัจฉานก็คือความหลงทุกของเปรตก็คือความโลภทุกของอสุรกายก็คือความกลัวทุกของนรกก็คือความอาฆาตพยาบาทเกลียดแค้นโกรธเกลียด นี่เป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราจะไม่รู้ได้ด้วยตนเองเพราะเราไม่เคยเห็นใจที่เป็นตัวเราเราเห็นแต่ร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราแล้วเราก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราพอร่างกายตายไปเราก็จะคิดว่าเราก็ตายไปกับร่างกาย เราก็สูญไปกับร่างกายเมื่อสูญเมื่อร่างกายตายไปผู้กระทําคือร่างกายตายไปแล้วใครล่ะจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่างๆคนที่ไม่รู้เรื่องของใจก็จะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจะไม่เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วอย่างต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อหนึ่งคนที่จะเชื่อหรือคนที่จะรู้นี้ต้องเป็นคนที่มีตาในหรือเป็นคนที่เปิดตาในตาในของพวกเรานี้ยังมืดบอดอยู่ยังถูกปกปิดด้วยโมหะอวิชชาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้อยู่ เราจึงไม่รู้จักตัวเราเองไม่รู้จักใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความหลงก็จะหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็จะคิดว่าเราตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกาย แต่ใจมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่ใจนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดที่เรามีกันอยู่ขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจความคิดต่างๆที่เราคิดอยู่นี้อยู่ที่ใจคิดแล้วก็สั่งมาที่ร่างกายสั่งให้ร่างกายพูด สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วพอทำแล้วพูดแล้วก็เกิดผลขึ้นมาที่ใจถ้าพูดแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าพูดแล้วทำแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นมันก็ทำให้ใจมีความสุขขึ้นมา ความสุขและความทุกข์ที่ใจทำนี้มันก็จะสะสมเป็นบุญเป็นบาปอยู่ในใจเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นอบายอยู่ในใจพอเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไปเป็นอะไรทันทีตามกําลังของบุญของบาปที่ทําอยู่ถ้า บาปมีกำลังมากกว่าเช่นถ้าทำบาปด้วยความหลงมีกำลังมากกว่าใจก็จะไปเป็นเดรัจฉานทันทีถ้าทำบาปด้วยความโลภมีกำลังมากกว่าบุญมีกำลังมากกว่าบาปชนิดอื่น <cosmetic. S 1> ก็จะไปเป็นเดรัจฉานก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัว มากกว่าทำอย่างอื่นก็จะไปเป็นอสูรละกายถ้าทาบาปมากกว่าทาบาปด้วยความโกรธเกลียดเคยียแค้นอาฆาตพยาบาทมากกว่าการกระทำบาปและบุญอย่างอื่นตายไปก็ไปนรกนรนรกก็ไม่ใช่เป็นสถานที่นรกก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหะเปรตก็ค เปรตก็เช่นเดียวกันอสุรกายก็เช่นเดียวกันไม่มีรูปร่างจะมีรูปร่างอยู่ก็เป็นพวกเดรัจฉานกับพวกมนุษย์เท่านั้นที่มีร่างกายที่ทําด้วยธาตุสีคือดินน้ําลมไฟแต่เปรตอสุรกายหรือนรกนี่ไม่มีร่างกายใจนี่แหละกลายเป็นนรกไปกลายเป็นอสุรกายไป กลายเป็นเปรตไปส่วนถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะทำให้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นสวรรค์สวรรค์ก็คือความสุขในระดับต่างๆนี่เองความสุขใจในระดับต่างๆสุขน้อยก็เป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุขมากก็เป็นสวรรค์ชั้นสูง แะบุญแะบาปที่ทําไว้นี้เมื่อมันได้ส่งผลแล้วมันก็จะค่อยหมดไปเหมือนกับน้ํามันรถยนต์ที่เราเติมเราเติมเต็มถังแล้วเราก็ขับรถไปไหนมาไหนขับไปน้ํามันก็จะค่อยค่อยพร่องไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดน้ํามันก็หมดถังได้ก็ต้องแวะเติมน้ํามันใหม่ พอไปเป็นเทพชั้นต่างๆหรือไปเป็นไปเกิดในอบายชั้นต่างๆพออำนาจของบุญอานาจของบาปมันจางหมดไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญทำบาปใหม่เหมือนกับกลับมาเติมน้ำมันใหม่ ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่มาเรามาสร้างบุญสร้างบาปกันส่วนภพของเทวดาภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุรกายของนรกนี้เป็นที่เราไปรับผลบุญผลบาปกันนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน เราเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำในขณะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันพอตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปพอผลบุญผลบาปหมดไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วก็กลับไปเกิดเป็น สัตว์ชนิดต่างๆใหม่หลังจากที่ตายไปแล้วนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่กรากับควบคุมใจของพวกเราอยู่กันในขณะนี้พวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรยพราะเราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรพอเราเกิดมาเราก็มา ทำบุญทำบาปกันเพราะเรามีความอยากต่างๆอยู่ในใจเราอยากจะได้ข้าวของเงินทองเราก็ไปหากันถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ไปทำบาปไม่ได้ก็ทำบาปกันเพราะความอยากได้มันจะเป็นตัวกดดันให้ต้องไปทำบาปกัน เพราะถ้าไม่ได้แล้วมันทุกข์วิธีที่จะทำให้มันหายทุกข์ก็ต้องไปทำบาปเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้กันถ้าสามารถหาได้โดยไม่ทำบาปก็รอดตัวไปไม่ต้องทำบาปเราก็เลยตกอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอนบางโ อ, อกาสก็ต้องทำบาป บางโอกาสบางจังหวะเวลาที่เราอยากได้อะไรแต่เราไม่สามารถหามาได้โดยไม่ไม่กระทําบาปเราก็ต้องไปกระทําบาปกันพอเรากระทําบาปเราก็จะไปเป็นเราก็จะสะสมความเป็นสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาทันทีถ้าเราทําบาปเพราะเราจําเป็นจะต้อง ทำเช่นเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเราไม่สามารถที่จะทำงานทาการมีเงินเดือนมีรายได้เพื่อไปซื้ออาหารซื้ออะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็อาจจะไปขโมยเงินขโมยทองหรืออาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปตกปลาไปยิงนกไปหาสัตว์ มาเป็นอาหารเราก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของการอยู่รอดเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นบาปเราอันนี้ก็คือการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เราก็จะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้เวลาเขาทำบาปเขาเพ่งแต่รู้ว่าเขาหิวเมื่อเขา เห็นมีสัตว์ที <out> ่เขากินได้เขาก็จะตะคุบมันมากินทันทีเพื่อดับความหิวของเขาเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วไม่มีใครสั่งสอนเราว่าการทำบาปแม้เพื่อการยังชีพก็บาปเป็นเหมือนเดรัจฉานเราก็จะทำแต่ถ้าเราโชคดีเราได้มาเกิดในครอบครัวที่มีความรู้เรื่อง บาปเรื่องบุญ เ, เขาก็จะห้ามเราไม่ให้ทําบาปอาสอนเราให้ไปหาหาด้วยวิธีไม่ทําบาปเราก็จะปลอดภัยจากการเป็นเดรัจฉานาหรือเป็นเปรตหรือเป็นอสุ ร, รกายหรือเป็นสัตว์นรกการที่เราจะได้พบกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะยากเพราะนานๆจะมีคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมมาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งเช่นคนอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องนาลกเรื่องสวรรค์รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดและรู้เรื่องวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าได้พบคนที่รู้ระดับพระพุทธเจ้านี yeah. ้จะถือว่าเป็นบุญมากทีเดียวแต่ถ้าได้พบกับคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแต่ไม่รู้เรื่องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็สู้การที่เราได้มาพบกับคนอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้นพราเราพบกับคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแต่ยังไม่รู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะได้รับความปลอดภัยจากการที่จะต้องไม่ที่จะต้องไปเกิดในอบายเพราะคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเช่นพ่อแม่ของเราก็จะคอยสอนให้เราทำบุญไม่ให้เราทำบาปกันแต่พ่อแม่ของเรายัางไม่รู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิด การที่เราจะรู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องพบกับคนที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านะบุคคลเหล่านี้ท่านมีความรู้ความสามารถระดับเหนือความรู้ระดับของบุญของบาปนะนอกจากรู้เรื่องของบุญของบาปแล้ว ท่านยังรู้เรื่องของเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างไรและรู้เรื่องของวิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่ายุติได้อย่างไรเพราะท่านได้ยุติแล้วท่านได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจของท่านแล้วเพราะท่านได้ค้นพบเหตุที่ทําให้ใจของท่านมาเวียนว่ายตายเกิด เหตุนั <hi> ้นก็คือตันหาความอยากตันหาความอยากทั้งสามประการคือกามะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตันหาและวิภวะตันหา ความอยากไม่มีอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะได้สิ่งนั้นไม่อยากจะได้สิ่งนี้เรียกว่าวิภวตันหาถ้าใจมีตันหาทั้งสามนี้อยู่ในใจตันหาทั้งสามนี้ก็จะเป็นผู้ผลักดันให้ใจกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในอบาย กลับมาเพราะมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผธทพะก็ต้องกลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีร่างกายก็ต้องกลับมามีร่างกายพอมีแล้วก็มีความอยากที่จะไม่เสียสิ่งที่มีไป มีร่างกายก็มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีความอยากไม่ให้เสียราบยศจัลเสริญไปความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบทำให้ใจต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆทำให้ใจต้องไปทำบุญไปทำบาปกัน อันนี้คือเหตุที่ทําให้พวกเรานี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันกลับมาทาบุญทําบาปกันแล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันไปเกิดในอบายบ้างไปเกิดในสวรรค์บ้างแล้วแต่บุญแล้บาปที่เราทําในแต่ละครั้งที่เรามาเป็นมนุษย์ชีวิตของเรานี้มันก็บางทีก็ถูกบีบบังคับให้ทําบาปชีวิตเราบางครั้งก็ ถูกส่งให้เราได้ทำบุญเช่นถ้าเราเกิดมารวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้เราก็อาจจะเห็นคนอื่นทุกยากเดือดร้อนเราก็สงสารเขาเราก็ช่วยเหลือเขาเพราะเราคิดว่าเป็นโหอกเดียวกันถ้าเราทุกยากลําบากถ้ามีคนมาช่วยเหลือเราเราก็จะดีใจเราก็จะมีความสุขเราก็อยากจะให้คนอื่นมีความสุข เราถ้ามีเงินเหลือเฟือเราก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือคนอื่นไปชาตินั้นก็อาจจะทาบุญมากกว่าทำบาปแต่บางชาติถ้ากลับมาเกิดยากจนทุกข์ยากลําบากเรามีความอยากได้สิ่งต่างๆมากมายที่ไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ทําบาปก็อาจจะไปทําบาปกันชาตินั้นก็จะขาดทุนตายไปก็ต้องไปรับผลบาป ถ้าชาติไหนเกิดมาแล้วได้มีโอกาสได้ทำบุญมากกว่าทำบาปชาตินั้นก็ถือว่าเป็นชาติที่กาไรแต่จะกาไรหรือจะขาดทุนมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่ดีหลังจากที่กลับไปหลังจากที่ตายไปแล้วแล้วไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจทั้งสามันก็ยังไม่ได้หมดไปการทำบุญและทำบาปนี้ไม่ได้เป็นวิธีกาจัด กามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาการที่จะกำจัดกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้นี่ต้องทำบุญอีกระดับหนึ่งตัวเรกว่าบุญบุญของระดับนักบวชเนี่บุญของระดับนักบวช น, น, นี่ต่างกับบุญระดับนักบุญนักบุญนี้เพียงแต่ไม่ทำบาปห้าข้อแล้วก็ทำบุญ ก็ได้ได้บุญแล้วแต่บุญระดับนักบวชนี่ต้องทาต้องรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ยังไม่พอต้องถือศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองรอยยิบเจ็ดแล้วก็ไปบวชอยู่แบบนักบวชเพื่อจะได้มีเวลามาหยุดความอยากทั้งสามนี้ ความอยากทั้งสามนี้มันทํางานตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นการที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ต้องหยุดมันตลอดเวลาต้องหาวิธีหยุดมันให้มันหยุดต้องทําตลอดเวลาต้องทําตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างราบคาบการที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ ตลอดเวลาก็ต้องมีต้องมีเวลามาทํานั่นเองและการที่จะมีเวลาก็ต้องมาเป็นนักบวชเพราะเมื่อเป็นนักบวชแล้วก็จะไม่ต้องไปทําภารกิจการงานอย่างอื่นนักบวชนี้โชคดีไม่ต้องไปทํามาหากินเหมือนนักบุญเหมือนคาวาะผู้คลองเรือนคารวะผู้คลองเรือนนี้ต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ดูแลรักษาครอบครัวดูแลรักษาชีวิตของตนและครอบครัว <c oughs> ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้ต้องไปเป็นนักบวชเมื่อไปเป็นนักบวชแล้วก็จะสามารถมีเวลามาหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หมดเลย ต้องมีเวลาเป็นนักบวชนักบวชถือศีลศีลของนักบวชก็มีไว้เพื่อสร้างเวลาให้กับนักบวชนั่นเองคือห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นศีลแปดนี้ก็ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใคร ไม่ให้แต่งเนื้อไม่ให้เสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆไม่ให้เสียเวลากับการนอนมากจนเกินไปไม่ให้ไปงานเลี้ยงรับประทานอาหารในยามค่ำเอาเวลามาหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนา จิตตะภาวนานี้แป่มีมีสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาจำเป็นจะต้องมีสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะสามารถยุติความอยากทั้งสามนี้ได้ถ้าไม่มีสมถะภาวนาไม่มีวิปัสสนาภาวนา ก็จะไม่สามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ความอยากทั้งสามนี้สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เปรียบก็เหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้จะเบรกมันได้จะหยุดมันได้นี้ต้องมีเบรกถ้ามีเบรกเวลาวิ่งไปถึงสี่แยกไฟแดงต้องการให้รถยนต์หยุดก็เหยียบเบรกผ่อนคันเร่งเหยียบเบรกรถก็จะหยุดทันที ฉันใดถ้าต้องการให้ความอยากทั้งสามนี้หยุดก็ต้องใช้การภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกต้องทำสมณะสมถะภาวนาก่อนคาว่าสมถะภาวนาก็คือทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบด้วยการใช้สติเป็นผู้หยุดมัน สตินี้ก็เป็นผู้ที่จะสั่งให้หยุดความคิดพอสั่งให้หยุดใจความคิดก็จะหยุดทันทีถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็สั่งให้มันหยุดไม่ได้เช่นญาติโยมตอนนี้ไม่มีสติพอไม่มีสติที่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดได้มีสติพอที่จะควบคุมความคิดให้ไปในทางที่ดีได้ พอมีสติพอที่จะยับยั้งความคิดที่จะไปในทางที่ไม่ดีได้เช่นเวลาคิดจะไปรักทรัพย์ก็ใช้สติหยุดมันได้เวลาที่จะไปทำร้ายผู้อื่นก็ใช้สติหยุดมันได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติคนที่ไปทำบาปก็แสดงว่าไม่มีกำลังของสติมีไม่มากพอ ไม่สามารถยับยั้งความคิดที่จะไปทำบาปได้ก็เลยต้องไปทำบาปกันแต่คนที่มีสติมากขึ้นกว่าคนที่ไปทำบาปก็จะไม่ต้องไปทำบาปแต่ก็ยังไม่มีสติมากพอที่จะหยุดความคิดให้จิตอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยยังทำอยู่แต่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นโทษไม่เป็นโทษกับผู้อื่น หรือไม่เป็นคุณไม่เป็นโทษต่อผู้อื่นหรือเป็นคุณต่อผู้อื่นแต่ยังไม่สามารถยับยั้ง ouais ความคิดไม่ให้คิดอะไรได้เลยถ้าไม่สามารถยับยั้งความคิดไม่ให้คิดอะไรได้เลยก็จะไม่สามารถยับยั้งความอยากได้เพราะความอยากนี้เกิดจากความคิดนี้เองพอคิดถึงเงินก็อยากได้พอคิด pues ถึงอะไรก็อยากได้ขึ้นมา ถ้าไม่ได้คิดก็จะไม่มีความอยากตามมาดัางนั้นถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความคิดได้เราก็ยังจะไม่สามารถหยุดความอยากได้เราจึงต้องมาเสริมสร้างสติให้มีกําลังมากขึ้นให้มีกําลังมากจนสามารถหยุดความคิดต่างๆได้วิธีที่จะเสริมสร้างสติเพื่อให้หยุดความคิดต่างๆก็คือการใช้กรรมฐาน ที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือของการเจริญสตนะิกรรมฐานนี้มีอยู่ถึง40ชนิดด้วยกันถ้าเป็นเบรกก็เหมือนกับมีเบรกยี่สิยี่ห้อให้เราเลือกใช้ให้เราเลือกซื้อเบรกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง mm hmm. เพื่อมาติดกับรถยนต์ของเราสําหรับทางสายปฏิบัติที่เราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้กันนี้ท่านก็จะสอนยี่ห้อพุทธโธพุโทโธ ให้ซื้อพุทโธมาติดที่ใจให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้เราบริกรรมตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเหมือนกับให้เราเหยียบเบรกตั้งแต่รถเริ่มวิ่งเลยถ้าเราเหยียบเบรกตั้งแต่รถเริ่มวิ่งรถมันก็จะวิ่งไปไหนไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกรถมันก็จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ดังั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากนี่เราต้องหยุดมันตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย เราก็ต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาหัดบริกรรมพุทโธพุทโธไปตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นไปทําอะไรเราก็พุทโธไปแล้วก็พุทโธไปกับการกระทําอะไรต่างๆของเราไปเรื่อยๆจะหยุดพุทโธก็ต่อเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดกับงานกับการที่เราต้องทำํำ พอเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธถออย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงความอยากอยากได้สิ่งต่างๆเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องพาให้เราไปหาสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราดีขึ้นมันมีแต่ทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นและเสี่ยงต่อการไปทำบาปมากขึ้นเท่านั้นเอง เราหยุดความคิดกันดีกว่าหยุดความอยากกันดีกว่าถ้าจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุผลด้วยความจำเป็นเช่นเหตุผลหรือความจำเป็นที่เรายังต้องทำกันอยู่ก็คือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างก า, กายนี้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่เราจำเป็นจะต้องไปทำกันไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นเศรษฐีกันไม่จาเป็นจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตกันไม่จาเป็นจะต้อง ให้คนยกย่องสรรเสริญเยือนยอกันเถอไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันเป็นความสุขปลอมเอมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันจางหายไปเวลาที่มันหมดไปการไปกระทำหาสิ่งเหล่านี้เป็นการทําทําโทษให้กับใจมากกว่าทําประโยชน์ให้กับใจ เพราะจะนำความทุกข์มาให้กับใจมากกว่านำความสุขมาให้กับใจสู้หยุดการกระทาเหล่านี้ดีกว่าหยุดแล้วมาทำทำสติดีกว่ามาสร้างสติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากดีกว่าเพราะถ้าเราสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราจะได้พบกับความสุขของใจที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยไปได้รับมากัน ความสุขที่เราได้รับจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะสู้กับความสุขที่เราจะได้รับจากการทําใจของเราให้สงบไม่ได้ทําใจให้เราหยุดคิดไม่ได้ถ้าเราหยุดคิดได้ใจของเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่พระพุทธเจ้ารทรงตรัสว่าสุขเอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มี สุขที่เกิดจากความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะเลิญสติอย่างต่อเนื่องเริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับให้มีพุโทโธกํากับใจไปตลอดเวลาให้พุโทโธนี้เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยควบคุมนักโทษอย่าให้นักโทษนี้อยู่ห่างจากสายตาเลยนักโทษของพวกเราก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆ ตำรวจของพวกเราก็คือสติคือพุทโธขอให้เรามีพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเราจะควบคุมความคิดต่างๆได้โดยเฉพาะความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆนะเพอตามมาคิดไปในทางความอยากแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกร้อนขึ้นมาทันทีจะทําให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้จะทําให้เราต้องไปหาสิ่งที่เรายากได้มา ได้มาแล้วก็เท่านั้นได้มาก็สุขเดียวเดียวสุขไปแล้วก็ผ่านไปแล้วความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะทำให้เราตะคุบเงาไปเรื่อยๆไปหาความสุขที่ได้จากความอยากไปเรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ได้ปุ๊บก็หมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้ลหละที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันก็เพราะการกระทำตามความอยากต่างๆนี่เอง แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะใจเรามีความสุขมีความอิ่มจากการที่เราหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเพียงแต่บรลีกรรมพุทโธพุทโธไปเท่านั้นเองแต่ผลที่จะได้รับนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าเงินกองเท่าภูเขา ยิ่งกว่าตําแหน่งมหาจักรพัฒน์ได้จากการบริกรรมพุทธโธอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงสละราชสมบัติเพื่อไปบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาเจริญสติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้ก็ได้พระนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุขขังได้ความสุขสุดยอดของพระนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุด ในบรรดาความสุขทั้งหลายที่เราได้รู้ได้พบกันไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานก็เกิดขึ้นจากการที่เรามาหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้เท่านั้นเองการจะหยุดได้ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพอเราใช้พุทโธพุทโธไปไม่ให้มันคิดถึงความอยากต่างๆความอยากมันก็จะหยุดไปและหมดไปในที่สุด นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาเกิดได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ค้นพบวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุให้พวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนานๆพวกเราจะได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอริยสงสาวกสักครั้งหนึ่งนานๆเราถึงจะได้รู้ว่าเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และเราได้โชคดีได้รู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพียงถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะพยายามที่จะปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกท่านสอนให้เราถือศีลแปดกันให้เราบวชกันแล้วให้เรามาเจริญสติกันมาสร้างสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธกันทำไปเถิดพุทโธคำเดียวนี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูของมรรคผลนิพพาน ที่จะเปิดประตูของพระอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้จากการมีพุทธโธมีสติถ้ามีสติแล้วต่อไปก็จะมีอริยทรัพย์ขั้นต่างๆขั้นโสดาบันขั้นสัตกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์จะเกิดจากการมีสติที่จะใช้หยุดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจ นอกจากสติแล้วก็ยังต้องมีธรรมะอีกตัวหนึ่งคือปัญญาสตินี้จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดสติหยุดความอยากได้อย่างถาวรหลังจากที่มีสติแล้วหยุดความอยากได้แล้วก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเป็นอันขาดทุกครั้งที่ความอยากโผล่ขึ้นมาอย่าไปทำตามมัน ไม่ต้องหยุดมันเพียงแต่ไม่ไปทำตามมันเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเองถ้าไปทำตามมันมันจะไม่หมดกำลังถ้าทำตามความอยากแล้วความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองอันนี้คือปัญญาต้องมีปัญญามาสอนถึงจะสามารถทำลายความอยากได้อย่างถาวรถ้าใช้พุทธโธนี้มันจะ หยุดได้เฉพาะเวลาที่มีพุโทโธเวลาหยุดพุโทโธความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทำให้ความอยากไม่โผล่ขึ้นมาใหม่ก็คืออย่าไปทําตามความอยากไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้พุโทโธหยุดมันปล่อยให้มันอยากไปแต่เราอย่าไปทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดฤทหมดเดชหมดกำลังไปเองนี่คือปัญญาให้รู้ว่า ความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าไปทําตามความอยาก<ม><ม>แล้วก็ไม่ต้องไปหยุดมันด้วยสติปล่อยมันอยากไปแต่เราอย่าไปทําตามความอยากเดี๋ยวมันก็จะหมดกําลังไปเองพอมันหมดกําลังแล้วมันจะก็ไม่กลับมาเกิด ม, มันจะไม่กลับมาอยากอีกต่อไป อันนี้เป็นวิธีกำจัดความอยากอย่างถ้าวรกกำจัดด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปทําตามก a r มะตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาปล่อยให้มันอยากไปมันอยากไปเดี๋ยวมันก็หมดฤทธ์เองถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากแต่เราจะต้องมีใจที่แข็งแกร่งมีอุเบกขาที่เกิดจากการเจริญสติ ที่เกิดจากการทำใจให้สงบนะถ้าใจเราไม่สงบนี่เราจะไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็บอกว่าไม่ทําตามความอยากอยากก็อยากไปแต่จะไม่ทําตามความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสงบเพราะความสงบนี้ให้ความสุขกับเราอยู่แล้วจะไม่ให้ความทรมานใจเหมือนกับคนที่ไม่มีความสงบนะ คนที่ไม่มีความสงบนีเพอเกิดความอยากขึ้นมานี้มือไม้สันส่นไปหมดใจสั่นไปหมดอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรีน่นี้พอไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบนี่จะมือไม้สัน่นใจสั่นไปแต่คนที่มีสมาธินี้มือไม้จะไม่สัน่นใจจะไม่สัน่นจะนิ่งจะสงบจะเฉยจะสามารถต้านความอยากได้ปล่อยให้มันอยากไปปล่อยให้มันปรุงแต่งอยากไปจนกระทั่งมันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็หยุดเอง แล้วต่อไปมันจะไม่ปรุงแต่งอยากได้อะไรอีกต่อไปนี่คือวิธีกำจัดความอยากอย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาคืออยาไปทำตามความอยากโดยเด็ดขาดแต่ไม่ต้องไปหยุดมันด้วยสติปล่อยมันอยากไปขอให้เราอยากไปทำตามความอยากเท่านั้นเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปในที่สุดนี่คือวิธีการที่เราจะสามารถกำจัด การเวียนว่าตายเกิดได้กําจัดความทุกข์ที่จะตามมาจากการเวียนว่าตายเกิดเพราะเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซึ่งไม่มีใครอยากจะแกะ่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันเพราะว่ามันเป็นความทุกข์กันนั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหากเราได้มาเกิดในยุคที่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกถ้าเรามาน มาเกิดในยุคที่ไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกเราก็จะไม่รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดของเราเราก็ยังจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีคนสอนเรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเราเชื่อเราก็จะได้ไม่ทําบาปกันเราก็จะได้ทําบุญกันตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์กันแต่เมื่อกลับมาจากสวรรค์เราก็จะต้องกลับมา ทำบุญทำบาปอีกถ้ า, ากลับมาเกิดในยุคที่ไม่มีคนสอนให้เราเรื่องบุญเรื่องบาปเราก็อาจจะไปทำบาปนะพอเราทำบาปเดี๋ยวเราตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายอีกเนี่ยแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่เราจะมาเจอใครมาสั่งมาสอนเราถ้ามาเจอคนที่สอนเรื่องบุญเราก็โชคดีไปถ้าไม่มีคนสอนเรื่องบุญหรือมีคนสอนเรื่องบาปก็สวยไป ไปทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปนะแต่ไม่ว่าจะมาพบกับคนสอนเรื่องบุญหรือสอนเรื่องบาปก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับคนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกเท่านั้นที่จะมาสอนเรื่องของการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยการมาหยุดความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา ด้วยการเจริญสติและด้วยการเจริญปัญญาด้วยสมถะและวิปัสสนาการเจริญสตินี้เรียกว่าเป็นการเจริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบการเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญาสอนใจให้รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี้ถิถามิอยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้อง ไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้ปล่อยมันอยากไปเดี๋ยวมันก็จะหมดนิดเองถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากอย่าไปหยุดมันอย่าไปกดมันใช้สติใช้สมาธิสู้มันต้านมันถ้ามีสติมีสมาธิแล้วใจจะเป็นอุเบกขาใจจะไม่สั่นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาีนเวลาอยากนี่ใจสั่นไปทั้งตัว งั้นเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะสู้กับตัญหาความอยากต่างๆได้พอเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความอยากเราก็ปล่อยมันอยากไปให้รู้เฉยๆว่ารู้ว่ามันอยากแต่รู้ว่าไม่ดีอย่าไปทําตามมันอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบอยากจะดื่มสุลาก็อย่าไปดื่มอยากจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็หมดมันไปเองถ้าเราไม่ไปทําตามมัน แล้วต่อไปมันจะไม่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปคนที่เลิกบุหรี่ได้คนที่เลิกสุรไาได้เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนนะสบายเห็นสุราก็ไม่อยากเห็นบุหรี่ก็ไม่อยากเพราะเขาฝืนความอยากได้เขาไม่ส่งเสริมความอยากเขาไม่ทำตามความอยากความอยากก็เลยหมดกำลังไปในที่สุดเมื่อความอยากหมดไปจากจิตจากใจใจก็สะอาดบริสุทธิ์ ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพานค่ะใจที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปใจที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่าบรมมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเกิดจากการที่เราได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดวิริยะความอุตสาหะภาคเพียนที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคาสอน ของบุคคลอันประเสริฐเหล่านี้เมื่อเราปฏิบัติตามได้ผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาจนถึงผลขั้นสูงสุดก็คือความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจปราศจากความอยากทั้งสามประการทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปฉนั้นชาตินี้เป็นโอกาสอันดีของพวกเราที่เราได้มาพบกับคนฉลาดคนประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวก ขอให้พวกเราน้อมจิตน้อมใจสร้างศรัทธาขึ้นมาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามพยายามผลักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้เถิดแล้วความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุรเรินติสาครังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตาโตสเพปุรเรินตุสังกปะ จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวเวนัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโภพะอภิวาทนสีลิสะนิจังุทธาปจายโนจตาโรธรมมวัานติ อายุวนโนสุขังภ า, างอังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันหลังจากที่เลิกประชุมแล้วขออนุญาตยุติคำถาม ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองจะเขียนข้อความส่งขึ้นมาถามก็ได้เดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านจากผู้ที่ติดตามถ่ายทอดสดวันนี้ไม่ทราบมีเท่าไหร่วันนี้ f a c e b o o สามร้อยสามสิบครับแล้วก็ y o u t u เก้าสิบเ็ดครับถ้ามีคำถามเดี๋ยวให้โยมทั้นถามส่งไมโครโฟนให้เดี๋ยวช่วยพูดผ่านทางไมโครโฟนคนจะได้ยินคำถาม หลวงพ่อครับตามที่ได้ฟังหลวงพ่อเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปนะครับถ้าจะกล่าวโดยสรุปตามความเข้าใจว่าผลสูงสุดของบุญก็คือการไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกและการไม่เกิดอีกไม่ทราบความเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วถ้าไม่เกิดก็จะไม่มาทําบุญไม่มาทําบาปมันก็จะไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกอีกต่อไป ขออีกสองข้อนะครับข้อที่สองครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทั้งบัญชีบุญและมีบัญชีบาปตลอดมามเมื่อถึงเวลาหนึ่งต้องการที่จะล้างบัญชีบาปความเข้าใจนี้โดยแท้จริงแล้วไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่การล้างบัญชีบาปและทำได้อย่างไรครับหลวงพ่อ อ, อ๋อล้างมันไม่ได้หล้วเพียงแต่ว่าทําให้มันไม่ส่งผลได้คือถ้าเราไม่มาเกิดมันก็ไม่สามารถส่งผลได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ได้ไม่มาเกิดแล้วท่านก็เลยไม่มี อ, อ่บุญหรือบาบุญหรบะบาศที่มีอยู่ในใจก็ไม่สามารถส่งให้ท่านไปเกิดตามภูมิต่างๆได้ก็ออสุดท้ายกับหลวงพ่อ ไมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตอไปแล้วกันนะเสร็จรูกก่อนเถเขามาใกล้ๆเขามาใกล้เลยเขามาใกล้ๆครับก็การหลงจการพระอาจารย์ครับก็มีข้อเดียวครับวันนี้ก็ที่เมื่อกี้พระอาจารย์เทพเราก็เลยมีคำถามในใจก็คือที่พระอาจารย์เทพบอกว่าการความอยากอยากที่จะเกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนร่ารวยเงี้ยมันทให้เป็นการสร้างภูมค้มกนใ้มาเกิดอีกอย่างเงี้ยครับ อย่างตัวผมมีปัญหาคือตั้งแต่จําความได้ไม่รู้ทําไมอยากเป็นพระรูปด้วยเจ้าครับก็คือตอนในเด็กเนี่ยมันเห็นภาพตัวเองตอนนั้งแต่เด็กว่าเป็นว่าจะเกิดมาหลายรอบแล้วก็เขาก็บอกตัวเองว่าให้ทาบุญท ำ, ท ำ, ทำบารมีไปเรื่อยอยงนี้ครับ mm hmm. ก็ผมตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบเนี่ยก็จะตื่นมาใส่บาตเองครับนั่งสมาธิเองแล้วก็แล้วก็สวดมนต์ไปพาเองโดยที่พ่อแม่ไม่ได้สอนนี่ครับ mm hmm. ก็ทำไม่เรืลินจนตอนนี้ถามสิทเนี้ยฮะ mm hmm. ตอนนี้ก็ยังอยากอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือว่าเพราะอะไร mm hmm. ครับ ขอความอยากมันมีทั้งที่เป็นกิเลสและเป็นธรรมถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นธรรมเป็นความอยากฝ่ายธรรมเป็นอยากเป็นความอยากฝ่ายดีไม่เสียหายความอยากฝ่ายต่ำควายความอยากควายกิเลสนี่ไม่ดีเพราะมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็เรียกว่าจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ความอยากเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นการเป็นความอยากที่จะดับความทุกข์ใจก็เลยเป็นความอยากฝ่ายดีเพราะอยากแบบนี้จะทําให้ไม่ทุกข์ใจจะทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วมันจะทําให้เราไม่หลุดพ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าถึงผมเคยินได้อ่านประวัติเพราะว่าแบบการเป็ น, นปรพระพุทธเจ้านี่ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีนานมากๆอนี้ครับก็หลุดพ้ยไม่หลุดพ้นอยู่ที่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ การที่จาเป็นจะต้องใช้เวลามากเพราะว่าไม่มีคนบอกทางแต่ถ้ามีคนบอกทางแล้วก็ใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็หลุดพ้นได้ฉันตอนนี้เรามีคนบอกทางแล้วเราก็เลยไม่ต้องไปหาทางด้วยตนเองเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสาวกก็เหมือนกันหลุดพ้นเหมือนกันถึงพระนิพพานเหมือนกันยันอย่าไปติดคำว่าพระพุทธเจ้าขอให้ติดคาว่านิพพานจะดีกว่า ขอให้ได้ไปถึงผลิพานให้ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีคนบอกทางก็รีบไปเลยตามคนที่เขาบอกทางไว้7วัน7เดือน7ปีเนี่ยสาวกของพระเจ้านี่แต่ละองค์นี่บางคนก็เวันบางคนก็7เดือนบางคนก็7จปีแต่ถ้าเราบอกไม่เอาไม่อยากจะฟังคำสอนของพระเจ้าอยากจะหาทางเองก็7กับ7จ็้อยกับก็ตามใจมีทง้งแต่ก็ถึงนิพพานเหมือนกัน ถึงด้วยการหาทางเองหรือถึงด้วยการไปตามทางที่เขาบอกคือผมสงสัยคืออย่างตอนนี้พ่อพยายามนั่งสมาธิอยู่ทุกวันมันก็ได้แค่ความสงบแต่ว่าคนอื่นที่เขานั่งกันเราเขาบอกเขาไปเห็นใจรักไปเห็นตัวเองรูปตัวเองแก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่เคยเกิดกับตัวผมเลยครับก็ไม่คิดก็ไม่เกิดสิคิดสิคิดบ่อยๆแก่เจ็บตายนี่ต้องคิดเหมือนจะเห็นอ่าสุภาษก็ต้องคิดบ่อยๆเหมืองจะเห็นคิดถึงตับตายไส้พุงเหน๋ยวมันก็เห็น ไม่คิดมันก็ไม่เห็นต้องเหมือนคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงโครงกระดูกคิดถึงตับไตไส้พุงต่อไปมันเห็นใครมันก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงไม่คิดก็ไม่เห็นมันไม่ได้เห็นจากการนั่งสมาธิ<อ>ก็ใชมไหมนั่งสมาธินี้เห็นแต่ความว่างนั่งสมาธิทำใจให้ว่างให้สงบไม่ให้มีไม่ให้คิดอะไร จิตมันไม่ได้นำเนินไปเองเหรอกว่าจะเข้าหรไม ไ, <ป S 2> ไ ม, <ะ>ไม่คนละทางกันคนละคนละคนละเรื่องกันเรื่องปัญญาที่ต้องคิดเรื่องสตินี่ต้องหยุดคิดเรื่องสมาธิต้องหยุดคิดมั น, เ ป, นเป็นคนละขั้วกันเวลาทำสมาธิต้องการหยุดคิดเพื่อให้จิตได้พักผ่อนจะได้มีกำลังพอมีกำลังแล้วก็เอาความคิดมาสู้กับความอยากกันครับขอบพระคุณครั บ, บ, บ, บ, บ, บอาจารย์หมดละครับ พอนองกราบพระคุณเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าขณะที่นั่ง ว, วิปัสนาค่ะจะมีบางอารมณ์ที่มีเสียงมากระทบอย่างเช่นเสียงข้างห้องเปิดประตูหรือว่าเสียงของที่ตกกับพื้นจะทำให้รู้สึกสะดุง้ง เ, เราจะแก้สภาวะรมตรงนี้อย่างไรเจ้าคะความสะดุ้งนี้มันเป็นปกติของจิตของแต่ละคนะเพียงแต่ให้รู้แล้วก็ปล่อยวางวเท่านั้นรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป แล้วเราก็รักษาใจของเราให้เป็นปกติอย่าไปตื่นเต้นกับความสะดุ้งของใจก็แล้วกันเหมือนกับน้ําที่พอเราโยนก้อนหินลงไปมันก็กรเพิ่มก็ะเพื่อมแป๊บแล้วเดียวมันก็นิ่งเหมือนเดิมจิตเราก็เหมือนกันเวลามันสะดุ้งแป๊บแล้วเดียวถ้าเราไม่ตื่นตกใจมันก็เดี๋ยวมันก็จะนิ่งกลับไปนิ่งเหมือนเดิมก็ขอให้มีสติกํากับใจอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับความสะดุ้งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกติ แต่เรื่องของความสะดุ้งนี้ไปห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการกระทบของของขันของวิญญาณของเสียงต่อต่อโสตประสาทพอมันเสียงอะไรดังๆขึ้นมันก็ทําให้ใจสะดุ้งขึ้นมาได้แต่ความสะดุ้งนี้ไม่ได้มันอาจจะสะดุ้งแบบกลัวก็ได้หรือสะดุ้งแบบไม่กลัวก็ได้สําหรับคนที่ก็ไม่กลัวเขาสะดุ้งสะดุ้งปรับแล้วก็รั่วมันสะดุ้งแล้วมันก็ดับไปแต่คนที่กลัวในสะดุ้งแล้วปรุงแต่งต่อเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมา อ้จะทำให้ใจปั่นป่วนขึ้นไปใหญ่หเราต้องระ ง, งับอย่าไปปรุงแต่งหลังจากที่มันสะดุ้งแล้วก็รู้ว่ามันสะดุ้งแล้วมันก็หยุดไปแต่เราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเป็นนิสัยของเราที่มันจะสะดุง้งก็ปล่อยมันสะดุ้งไปแต่อย่าไปตื่นเต้นตกใจตามมันหลังจากที่มันสะดุ้งแล้วรักษาใจให้นิ่งสงบเหมือนเดิมด้วยการสักแต่ว่ารู้ไปรู้ตามความเป็นจริง อีกหนึ่งคำถามค่ะเอใ น, ในสมัยนี้ชาวพุทธนี่จะนับถือหลายอย่างทั้งพระรัตนตรยัยแล้วก็ทั้งเทพทั้งทั้งพรมทั้งพญานาคอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกหรือว่าผิดถ้าผิดแล้วนี่เราจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรเจ้าคะก็ไม่ศึกษาคําสอนโงฏาเจ้าอย่างตรงแท้เชื่อมีคนหลายคนสอนหลายรูปหลายแบบอะไรเชื่อกันไปถ้าศึกษาจริงๆแล้วก็จะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระโสงฆ์ คำว่าเชื่อนี่หมายถึงว่าให้เชื่อเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นเป็นผู้สั่งสอนเราแต่สมัยนี้กลับเรากลับไปเชื่อในลักษณะออกเป็นเหมือนกับเป็นพระเจ้าที่จะดนบันดาลอะไรให้กับเราได้เชื่อแบบนี้ยังถือว่าเป็นเชื่อแบบงมงายอยู่เพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านทําอะไรให้เราไม่ได้หรอกนอกจากสั่งสอนเราเท่านั้นเองจะเสกจะเป่าให้เรารวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ แต่คนเราอยากจะเชื่อแบบนั้นกันเชื่อแล้วจะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้อยากได้อะไรก็ขอถ้าเขาว่าเชื่อเทพแล้วเทพจะให้นู่นให้นี่ก็เชื่อกันไปสาธุเจ้าค่ะอามินึกถึงคำสท้าย<ม>าครับหลงวงพ่อาาในลําดับของการบัมรุธรรมนะครับตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอราหันเนี่ยนะครับอืม เท่าที่ปรากฏเนี่ยผู้ที่ยังเป็นคารวาดอยู่เนี่ยจะไปได้สูงสุดถึงระดับไหนครับเจออ้างนจะ้าเป้าหลานเลยมไม่ได้อยู่ที่เป็นคารวาดหรือเป็นเป็นนักบวชหรอกอยู่ที่ปัญญามีหรือเปล่าอยู่ที่สติปัญญาพอหรือเปล่าอะไรอั่างองี้ยแต่พอเป็นผ้าหลานแะล้วนะส่วนใหญ่ก็ไปบวชกันทั้งนั้นเพราะไม่รู้จะอยู่เป็นคารวาดไปทำไม อยู่แล้ววุ่นวายไปอยู่แบบนักบวช ด, ดีกว่าทําประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่า <c oughs> มีคารว่าสครับอาจารย์ที่อธิษฐานจิตตัวเองเยอะว่าขอหลุดพ้นภายในชาตินี้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วสมควรต้องออกบวชไหมครับถ้าจะหลุดพ้นจริงไม่หรอกอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ามีศีลสมาธิปัญญามีศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็หลุดพ้นได้ <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับจากคุณจำนะครับโยมเมื่อนั่งถึงจุดที่ใจสงบมีการไปผูกจิตกับที่ที่หนึ่งซึ่งเคยไปนานมากๆแล้วเป็นดินแดนที่ไกลโพ้นช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะเพราะเหตุใดจิตจึงไปตกในดินแดนใต้น้ำจนต้องลืมตาขึ้นชี้ทางด้วยค่ะก็เพราะว่าจิตเรายังมีความผูกพันกับสิ่งนั้นอยู่ ก็เลยยังไปหาสิ่งนั้นอยู่วิธีกล้าก็คือให้ดึงสติให้ใช้สติดึงใจให้กลับมาอยู่กับผู้รู้สักแต่ว่ารู้ไปถ้าใช้พุทธโธได้ก็พุทธโธพุทธโธกลับมาถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าไม่มีลมไม่มีพุทธโธก็ใช้สติดึงใจกลับมาอย่าส่งใจไปหาสิ่งนั้นจากคุณนาวรัตนนะครับติดปิติและสุขอยู่สามปี ทำอย่างไรจะออกจากตรงนี้ได้เพื่อไปอยู่อุเบกขาคะก็ต้องภาวนาต่อไปเวลาได้ปิติปสุขได้ปิติได้สุขก็อย่าหยุดพุดโทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปจนกว่ามันจะเข้าสู่อุเบกขาจะคุณวิเดศนะครับ <c oughs> ผมภาวนาอาัติตอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่บางครั้งผมภาวนาคำว่าตายตาย สลับกันแบบนี้เรียกว่าใจผมโลเลหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่หรอกเราก็สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือสองสามวิธีผสมประสานกันก็ได้เป้าหมายก็ขอให้เราอย่าไปคิดปุงแต่งอย่าไปอยา ก, กับความคิดปุงแต่งเท่านั้นเองให้ใจว่า ง, ใ ห, ใ, างให้ใจสงบจากคุณลัตตนานะครับไม่มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ถ้าฟังทาง facebook จะได้รับบุญอย่างไร ก็ได้ปัญญาได้ความรู้ออปัญญาปัญญาในความรู้คือสัมมาทิฐิก็เป็นบุญอย่างหนึ่งจักคุณะพลนะครับคนที่เป็นเกย์สามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับและสามารถบวชได้ไหมครับบําเพ็ญยากกว่าปกติไหมบรรลุธรรมนะ่ะบรรลุได้ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีน่ะแต่จะบวชนี่รู้สึกว่าถ้าเป็นเกย์นี่เขาคงจะ ไม่ให้บวชจักคุณจงสิณีนะครับการไปเยี่ยมคนป่วยเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็เป็นการช่วยเหลือเขาในทางด้านจิตใจเวลาเราไปเยี่ยมเขาก็อาจจะทำให้เขามีความสุขใจมีกำลังใจยิ่งถ้าเรามีธรรมะไปบอกเขาไปสอนเขาอาจจะช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ใจของเขาได้ จกคุณปนัดดานะครับลูกจะตื่นมาประมาณตีสองตีสตี4ตีหบ้างขึ้นอยู่กับงานบางวันดึกคะ่ะลูกก็จะมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจิตจะรู้สึกสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วลูกก็จะมาพิจารณากายแต่ยังไม่เห็นด้วยใจจริงๆใช้ความคิดช่วยบางวันเวลาเหลืออีกลูกก็จะนอนต่อคะ่ะลูกทำถูกหรือเปล่าคะก็ทา ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะถ้าทําได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีจากคุณพัฒลพงศ์นะครับทําอย่างไรถึงจะเอาชนะความเกียดค้านได้อย่างเด็ดขาดครับก็ต้องเอาความขยันมาสู้กับมันแล้ต้องกําหนดตารางเวลาของการกระทําต่างๆพอถึงเวลาก็ต้องทําไม่ว่าจะอยากทําหรือไม่อยากทำํำเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหาร ถึงเวลารับประทานอาหารเราก็รับประทานอาหารจะอยากรับประทานหรือไม่เราก็รับประทานไปเพราะเรารู้ว่าถ้ารับไม่รับประทานเดี๋ยวมันจะหิวจะจะลำบากอย่างตอนนี้มีโอกาสได้รับประทานก็รับประทานไปดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยากรับประทานก็บังคับมันไปเราต้องบังคับเขี้ยวเข็นตัวเองแล้วต่อไปความขี่เกียดมันก็จะหมดไปแต่เราต้องกาหนดตารางเวลาของการกระทาต่างๆไว้ เพราะฉะนั้นมันจะมันจะมันจะไม่มีอะไรมาไม่มีกรอบมาบังคับมันคำถามจากทาง Youtube นะครับจากคุณพัฒราพรนะครับนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการตัวโยกบางครั้งโน้มไปข้างหน้าแล้วยึด <c oughs> นั่งตรงขึ้นมาเองบางทีก็รู้สึกแค่ศรีรษะเอียงไปเอียงมาหมุนไปรอบๆควรแก้ไขอ ย, อย่างไรคะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้น แสดงว่าเวลานั่งนี้บางทีสติไม่มีแล้วนั่งต้องมีสติต้องมีพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆไม่ใช่นั่งไปแล้วก็ปล่อยให้พุโทโธหายไปปล่อยให้ลมหายไปแล้วมันก็จะเหมือนกับไม่มีอะไรมาควบคุมใจใจมันก็จะทําให้ร่างกายสายไปสายมาได้ถ้ามีพุโทโธมีลมหายใจรับรองได้ว่านั่งกายมันจะนิ่งเหมือนเราตอนนี้นั่งคุยกันทําไมแล้วมันไม่สายไปสายมา ว่าเรามีสติอยู่กับการฟังอยู่กับการพูดอยู่ข้อที่สองตามที่ปรากฏในหนังสือที่ว่าการเจริญพุทธานุสติจะทําจิตสงบได้ถึงแค่ระดับอุปจาระสมาธิกรณีนี้รวมถึงบริกรรมพุทธโธด้วยหรือไม่คะก็อันเดียวกันนะพุทธานุสติก็คือพุทธโธนี่เองก็จะได้สมาธิความสงบขั้นระดับุ ระดับอับปปนาสมาธิได้ต่อจากข้อสองนะครับทําอย่างไรเพื่อให้ไปถึงอัปปนาสมาธิคะ <c oughs> ก็เนี่ยต้องบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรให้ใจจดจ่ออยู่คําพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอย่าไปาคาดกันเอว่าเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะสงบพุทโธไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเอง <c oughs> มีคุณอักขลวัต ต้องการทราบประวัติพระอาจารย์ไม่ทราบพระอาจารย์จะอธิบายไหมครับออก็ไป อ, อ่านหนังสือดาวน์โหลดหนังสือมหาเศรษฐีอยู่ที่ไหนหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ my way ก็จะมีเล่าประวัติโดยสังเกตให้ทราบดาวน์โหลดในพระสุชาติ com นะครับมหาเศรษฐีที่แท้จริงนะครับจากคุณเม้งนะครับเวลาทางานจะเครียดง่ายกลัวความผิดพลาดมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้มีสติอยู่กับการทำงานแล้วก็ยอมรับผลของการกระทำว่าเรายัางเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ก็มีโอกาสที่จะผิดได้บ้างถูกบ้างถ้าไปอยากให้มันไม่ผิดเลยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้แต่ถ้าเรายอมรับว่ามันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างเราก็ยอมยินดีรับการตาหนิติเตียนยอมรับ ผลของการกระทําของเราเราก็จะไม่เครียดกับการกระทําของเราจากทางเพจพระจารสุชาตินะครับจากคุณวะไล่นะครับมีคารวะท่านหนึ่งบอกว่าเขาได้ข้ามเวทนาใหญ่จนไม่มีความเจ็บปวดเลยหลังจากนั้นอีก3าเดือนก็บรรลุธรรมขั้นอรหันต์ลักษณะแบบนี้จะสามารถเป็นไปได้ไหมเจ้าคะก็ถ้าข้ามเวทนาไปได้มันก็ข้ามข้าม ข้ามปัญหาไปได้ขั้นหนึ่งแล้วแล้วขั้นต่อไปก็ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมได้แต่จะเขาได้หรือไม่ได้นี่ไม่รู้นะแต่พูดไปตามหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติมันก็ต้องข้ามข้ามเวทนาข้ามขั้นความตายไปก่อนแล้วก็ไปข้ามขั้นอสุภะไปก่อนแล้วค่อยไปข้ามขั้นของอวิชชาต่อไป มันก็จะเ็งเคุณอ้อนะครับมีคนมาชวนไปสังเวยชนีสถานสี่ที่สำคัญของพระพุทธเจ้าค่าใช้จ่ายประมาณห้าหมื่นเขาบอกว่าการไปจะทำให้ฝังศรัทธาและช่วยปิดอบายภูมิในชาติต่อๆไปและอาจจะมีผลให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นแต่ลูกลังเลว่าหรือจะเอาเงินนั้นมาทำบุญดีลูกควรคิดอย่างไรดีคะ ถ้าเรายัางไม่ไม่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การไปก็อาจจะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจได้แล้วก็จะทาให้เราปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างอย่างมั่นใจช่นไม่ทาบาปถ้าเราไม่ทำบาปเลยเราก็ปิดปตัวตบายได้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจอยู่แล้วและเราไม่ทำบาปอยู่แล้วก็จะไปก็ไม่ไปก็ไม่มีผลแตกต่างกันแต่อย่างใด แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์หรือไม่แล้วเรามีความมั่นใจในการไม่กระทําบาปหรือไม่แต่ก็ไม่แน่ว่าไปแล้วอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เขาว่ากันก็ได้อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ดูเอาเองก็แล้วกันสันติโกจะคุณจิตประพัดสอนนะครับแม่อยู่ต่างประเทศบาปก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ทํา ตอนนี้แม่เสียไปแล้วมีคนบอกว่าดวงจิตของเขาจะล่องลอยในจักรวาลหาที่เกิดไม่ได้จริงไหมเจ้าคะไม่จริงหรอกเพราะมันมีท้องที่ไปจิตทุกดวงมันมีบุญมีบาบมีช่องให้มันไปถ้าบาบก็ไปอบายถ้าบุญก็ไปสวรรค์ถ้าไม่บุญไม่บาบก็กลับมาเป็นมนุษย์มันมีที่ไปของมันจากฟนะครับจากคุณปอนนะครับเวลาทางานผมจะภาวนาไปด้วย หรือบางครั้งก็สวดมนต์ในใจด้วยจนจิตสงบแต่บางครั้งเกิดภาวะสิ่งเล้าจักภายนอกไม่ว่าโทสัโมหะก็ดีจนจิตไม่สงบจิตไม่อยู่กับบทสวดมนต์และคำบริกรรมขอคาชี้แนะครับก็ต้องพยายามดึงสติกลับมาพอจิตไม่สงบก็ต้องพยายามบังคับตนเองให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป แล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวจิตนันก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติจากคุณเอกนะครับถ้าเราเห็นใครทําความดีแล้วเราสาธุจะเรียกว่าเป็นการทําบุญหรือเปล่าครับก็เป็นการทําบุญด้วยการอนุโมทนาบุญคือเช่นชมยินดีกับการทําบุญของผู้อื่นมันก็จะทําให้เรามีความสุขใจจากคุณนันทิดานะครับ การนั่งสมาธิถือเป็นการพักผ่อนร่างกายแทนการนอนได้ไหมคะก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะแต่ในท่านั่งมันก็ยังไม่สบายเหมือนในท่านอนาร่างกายต้องการพักผ่อนเต็มที่ก็ต้องอยู่ในท่านอนถึงจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จะคุณนภพลนะครับการปฏิบัติสามารถพลิกจิตจากคนเป็นเกให้กลับเป็นชายปกติได้ไหมครับอ๋อการปฏิบัตินี้เราไม่ได้พลิกเรื่องเพศ ให้เราพลิกเรื่องกิเลสเรื่องความโลภความโกรธความหลงว่ามของความอยากนี่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติบรรลุทำแล้วคนเป็นเกย์ก็ยังเป็นเกย์อยู่แต่เป็นเกย์แบบไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากอะไรจะเรียกว่าไม่เป็นเกย์ก็ได้พระอรหันต์นี่ไม่ได้ไม่มีเพศแล้วไม่มีความรู้สึกทางเพศแล้วไม่มีความอยากจะ ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือได้ใครมาเป็นแฟนเราตัดความตัดการมาราคะได้แล้วความอยากในกามยังจะเรียกว่าเป็นการพิกก็ได้พวกที่เป็นเกย์ก็จะหายจากการเป็นเกย์พวกที่เป็นรักเป็นหญิงรักชายก็หายหมดเพราะจะไม่มีการมาราคะอีกต่อไปจ ะ, จะเป็นเพศกลางๆเป็นเรียกว่าไม่มี ไม่มีเพศจะเรียกว่าเป็นพวกไม่มีเพศก็ได้ชายก็ไม่เป็นหญิงก็ไม่เป็นเกย์ก็ไม่เป็นจากคุณสรรสนีนะครับเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เริ่มต้นนั่งสมาธิขนจะลุกตั้งแต่ขาขึ้นมาศีรษะไม่ทราบว่าเป็นสภาวะธรรมหรืออุปทานคะสมัยก่อนตอนเริ่มนั่งใหม่ๆไม่เคยเป็นแต่พอเริ่มนั่งสู่ปีที่สอง <c oughs> ถึงปัจจุบันปีที่ห้า จะเป็นตลอดเลยค่ะไม่ทราบว่าอาการนั้นคืออะไรก็คืออาการนี่มันเป็นอย่างนั้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็นั่งสมาธิของเราไปจะคุณโกนะครับขณะนั่งสมาธิไปได้สักพักเหมือนมีแสงอยู่บริเวณ <c oughs> ด้านหน้า <c oughs> แต่พอลองลืมตาขึ้นมา <c oughs> ก็ไม่มีอะไรทั้งที่ห้องยังมืดอยู่ครับ ก็อุปทานไงจิตมันปรุงแต่งไปคิดไปเองอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิแล้วให้อยู่กับบริกรรมคำบริกรรมแล้วอยู่กับลมไปอะไรจะโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจจะคุณยอดดอยนะครับเวลานั่งภาวนาพุทโธต้องดูลมหายใจพร้อมกันไปด้วยไหมคะไม่ต้องก็ได้ต้องก็ได้แล้วแต่ความถนัดบางคนก็ใช้พุทโธอย่างเดียวบางคนก็ดูลมอย่างเดียว บางคนก็ใช้ทั้งพุโทโธทั้งลมควบคู่กันไปจากคุณพัทรลับหงนะครับวิปัสนาญาณ9ก้ากับอาสวัคยานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับรลองไปถาม Google ดูแลนะอันนี้เราไม่ได้ศึกษารายละเอียดจากคุณพิทยานะครับอาการบูบเหมือนตกจากที่สูงตอนนั่งสมาธิ คืออาการอะไรครับมีผลเสียหรือไม่แล้วจะแก้ไขอย่างไรถ้าวูบแล้วสงบแล้วมีความสุขก็เป็นสมาธิถ้าวูบแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เรียกว่าหลับนก็ถ้าหลับก็แสดงว่าไม่มีสติก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นถ้าวูบแล้วสงบนิ่งมีความสุขก็ก็พยายามรักษาสถานภาพนั้นไว พราะเป็นการจะเข้าสู่ความสงบบางทีก็เหมือนกับจิตตกลงมาจากที่สูงจะวูบลงมาแล้วก็เนื่งสงบเบาสบายมีความสุขอันนี้เรียกว่าสมาธิแต่ถ้าวูบแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย น, นี่ก็เรียกว่าหลับสับประง ก, ก็เข้าวูบเหมือนกันจากคุณนภพลอีกทีนะครับตามตำราหลวงปู่ขาวท่านว่าพอปฏิบัติไปจิตไม่แบ่งเพศหญิงชายเป็นอย่างไรครับก็เนี่ยมันไม่มีกามไง มันไม่มีความรักรักหญิงรักชายรักกระเทยหรือรักใครทั้งนั้นมันเห็นว่าเป็นโทษเห็นกามนี้เป็นโทษเพราะทำให้ทุกข์ใจทุกข์พรรักแล้วเพาไม่ได้ได้ดังใจหมายก็เสียใจหรือถ้ารักแล้วเกิดสูญเสียไปก็เสียใจเพอมันไม่เลยมันเลยตัดความรักออกไปจากใจตัดความรักในในเพศออกไปจากใจไม่รักหญิงไม่รักชายไม่รักใครทั้งนั้นรักก็รักแบบเมตตา รักด้วยความปรารถนาดีแต่ไม่ต้องการอะไรจากคนที่เรารักมีแต่อยากจะให้เขามีความสุขเท่านั้นจากคุณทวิชานะครับถือศีลแปดเล่นโทรศัพท์ได้ไหมครับก็แล้วแต่ใช้โทรศัพท์ไปในทางไหนถ้ายังทำงานติดต่อการงานอยู่ก็ใช้ได้แต่ถ้าใช้เพื่อบันเทิงนี่ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าศีลแปดนี่ห้ามเรื่องบันเทิง จะคุณเจษณีนะครับแม่อายุเจ็ดสิบแต่ยังห่วงลูกๆทุกคนยังห่วงแต่เรื่องหาเงินหนูจะทำอย่างไรคะหนูอยากให้แม่เข้าวัดทำบุญแต่ทุกวันก่อนนอนจะเห็นแม่นั่งสมาธิสักสิบนาทีแต่นั่งไปก็ง่วงนอนพอเราแนะนำให้แม่ไปทำบุญท่านก็บ่นว่าให้หนูไปอยู่วัดทั้งแม่ทั้งลูกของหนูท่านบอกว่าถ้าลูกทุกคนยังไม่สบายเขายังไม่ไปวัดไม่ได้ แต่ลูกทุกคนบอกท่านว่าไม่ต้องห่วงค่ ะ, ะก็ปล่อยวางก็แล้วกันเรื่องของแม่ถ้าบอกเขาแล้วเขาไม่ก็ไม่ก็ไม่ปล่อยก็เรื่องของเขาขอให้เราปล่อยก็แล้วกันจาก youtube ไม่ประสงค์ออกนามนะครับนั่งสมาธิเป็นประจําแต่พอถึงเวลาสักหนึ่งชั่วโมงก็จะถอนออกมาเองนั่งไปก็รู้สึกเฉยเฉยฟุ้งก็รู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจ และจะรู้ขันห้าว่าขณะนี้เจ็บคือเวทนาเป็นต้นค่ะทําทแบบนี้ถูกต้องไหมคะทําแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ผลคือสติยังไม่ต่อเนื่องไม่สามารถทําจิตให้รวมเป็นสมาธิได้ก็เป็นแบบนั่งแบบครึ่ๆงๆกลางๆได้สงบบ้างได้ความฟุ้งบ้างสลับกันไปต่อสู้กับกิเลสไปแต่ยังไม่มีกําลังมากพอที่จะทําให้กิเลสหยุดทํางานทําให้จิตให้สงบได้ ต้องฝึกสติให้มากขึ้นคำถามจากคุณกันจานรัตนะครับอ่อาภัยให้คนอื่นแล้วจะอาภัยให้เราไม่มีจริงเราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างคะหรือควรปล่อยวางจะทาให้เราเป็นทุกข์ด้วยหรือเปล่ า, าเรื่องของคนอื่นเราก็ปล่อยวางเขาไปเขาจะพูดจะทาอะไรเราก็ให้อภัยเขาไป ส่วนเราเราก็ไม่มีปัญหากับใครส่วนเขาจะมีปัญหากับเราก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องทําใจจกคุณสมควรนะครับจิตตื่นเป็นเพราะอะไรเจ้าคะบางคืนจิตมันไม่หลับทั้งคืนถ้าสติดีแต่สติดีมันก็ตื่นถ้าสติไม่ดีมันก็หลับคำถามหมดครับพระอาจารย์ ก็เดี๋ยวลองพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูว่ามีคำถามเข้ามาต่อบไหมมีเวลาประมาณห้านาทีใครอยากจะถามอะไรก็ยังถามได้อยู่เรื่องการปฏิบัตินี่ก็ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆผลนี้มันช้าบ้างเร็วบ้างมันขึ้นอยู่กับเหตุคือสติเป็นหลักถ้าเหตุถ้าเหตุ ด, ดีสติดีผลมันก็เกิดขึ้นไว ถ้าสติไม่ดีผลมันก็จะเกิดขึ้นช้าคำว่าสติดีก็คือเช่นเราพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องห้านาทีเนี่ยไม่มีความคิดอะไรเข้ามาแทรกเลยถ้าห้านาทีมีแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเนี่ยจิตก็สงบได้แต่ถ้านั่งไปห้าวินาทีความคิดนั้นก็เข้ามาความคิดนู้นก็เข้ามาแล้วกว่าจะกลับมาหาพุโทโธได้อีกสองสานาทีอย่างี้ถ้าอย่างนี้มันก็ยากผลมันก็จะยาก ฉะนก็อให้เราสังเกตดูว่าสติของเรามันต่อเนื่องไหมมันมีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้ามันพุโทโธได้แค่สองสามวินาทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อีกสองสามนาทีก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่างนี้มันก็มันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่มันแต่มันก็ทำให้นั่งได้ไม่ฟุ้งซ่านแต่มันไม่สามารถทำให้จิตรวมได้ ถ้าจะทําจิตให้รวมด้านี้มันต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนี้อย่างเดียวไม่ให้มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาเลยถ้ายังไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกสติก่อนที่จะมานั่งก็พยายามพุทโธอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็หัดท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วเวลานั่งมันก็จะพุทโธมากกว่าคิดน